ขออนุโมทนาทุกๆคนนะที่มีความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของธรรมะชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งชีวิตเรามันก็เหมือนกับไม่มีแก่นสารไม่มีสาระอะไรเหมือนกับคนที่ดำเนินชีวิตไป แล้วก็โลอคอยว่าสุดท้ายก็ต้องตายไปตายไปโดยที่จิตก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยเพราะฉะนั้นเดีเห็นบ้านไทยเนี่ยพากันมาปฏิบัติแล้วก็อยากจะพัฒนาการปฏิบัติให้มันมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเพราะเล็งเห็นประโยชน์ของธรรมะอันนี้มันเป็นการที่เรียกว่าทั้งตัวเราเองด้วยถ้าใครรู้สึกว่า พยายามที่จะปฏิบัติละมัดระวังตัวเองมากก็จะช่วยคนอื่นด้วยพอเราละมัดระวังตัวเองมันก็เป็นการละมัดระวังคนอื่นด้วยเราไม่ไปรบกวนคนอื่นคนอื่นเขาเห็นเราระมัดระวังเขาก็ละมัดระวังไปด้วยแต่ว่าภายในต้องทําให้สบายๆนะถ้าเพียนแต่ว่าอยากอยให้มันเจริญก้าวหน้าอันนี้เป็นความอยาก อ, อยู่ภายในเล่งรีบ อยากจะเอาผลมันก็จะทำให้เราเคร่งเครียดจิตใจที่มันมีความอยากนำหน้าเนี่ยมันจะมุ่งจะเอาผลอันนี้เ็าเรียกว่าตัวปัญหาแต่ถ้าเพียนสร้างเหตุพยายามสร้างเหตุผลเป็นยังไงก็แล้วแต่พราะเราเน้นที่เหตุสร้างเหตุเรื่อยไปพยายามที่เหตุถ้าเพียนที่เหตุเนี่ยใจเราก็พอใจที่จะสร้างเหตุที่ดีที่ถูกต้องอเสียงมันยังทาไมมันมันก้อ มันชอบกล น, นะอ่ะดีขึ้นไหมโอเคแล้วก็รู้สึกว่าพอใจนะเพราะอะไรเพราะเห็นคุณค่าของธรรมะของพระพุทธเจ้าเวลาเราปฏิบัติจิตเนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกขณะเรากําลังเดินตามทางของพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าใช้คําว่าเดินตามหลังของพระองค์ไปแล้วก็เดินตามหลังชนิดใกล้ชิดเลยนะ ใกล้ชิดชนิดที่เท้าสวมเท้าเออใช้คํานี้ด้วยนะใกล้ชิดชนิดเท้าสวมเท้าเท้าสวมเท้าคือยังไงมือหนึ่งจับชายสังขารติของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้ายกพระบาทขวาขึ้นเท้าขวาของเราก็สวมลงไปพอพระพุทธเจ้ายกพระบาทซ้ายขึ้นเท้าซ้ายเราก็สวมลงไปเดินตามพระพุทธเจ้าไปติดติดแบบนี้เนี่ย ก็แสดงว่าถึงพระ อ, องค์จะปรินิพานไปแล้วก็ตามแต่ถ้าใครปฏิบัติเนี่ยพระ อ, องค์ยังทรงใช้คําว่าเดินตามพระ อ, องค์ไปอย่างใกล้ชิดชนิดเท้าวสวมเท้าเพราะฉะนั้นไม่ห่างเหินจากพระพุทธเจ้าเลยนะแล้วถ้ยิ่งเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราสํารวมระวังผลของการปฏิบัติก็จะเกิดเร็วเพราะว่าเรามีความเพียรความพยายาม เมื่อมีความเพียรความพยายามมีสติเนี่ยสติมันจะต่อเนื่องคือสตินี่มันเป็นตัวจัดการจัดแจงพระเจ้าเปรียบเทียบ ว, ว่าสตินี่เป็นเหมือนอธิบดีสตาทิ ป, ปตยาสตินี่เป็นอธิบดีเลยนะจัดการจัดแจงอธิบดีกรมนั่นกรมนี่อ่าคอยจัดการจัดแจงให้มันลงตัวคอยตรวจตาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างมีสตินี่มันจะจัดการจัดแจงถ้าสติมันต่อเนื่อง ก็สติก็มีกําลังอะ่ะถ้าสติของเราขาดวักขาดตอนมันก็ไม่ต่อเนื่องจิตของเรามันก็เพลอเพลินไปมากเพราะสติไม่สามารถควบคุมจิตเอาไว้ได้เมื่อจิตมันเพลิอนออกไปไหลออกไปข้างนอกมากสมาธิก็น้อยสมาธิก็เกิดน้อยเกิดช้าปฏิบัติไปแต่ว่าเราไม่สํารวมไม่เพียรให้ต่อเนื่องจิตของเรามันก็ เผลอเพลินอยู่เรื่อยเผลอไปเรื่อยมันก็ขาดวักขาดตอนอยู่เรื่อยก็เรียกว่าสติมันขาดพอสติขาดไม่มีตัวควบคุมจิตสมาธิก็ไม่มีอะสมาธิไม่เกิดขึ้นจิตมันก็ไหลออกไปข้างนอกไหลออไปข้างนอกมันก็ไปเพลินกับเรื่องข้างนอกพอไปเพลินกับเรื่องข้างนอกเรื่องข้างนอกมันก็ย้อนกลับเข้ามาห่อหุ้มจิตเราห่อหุ้มจิตเราทีนี้เรามองดูจิตอ่ะ มันก็เห็นแต่เรื่องอันนั้นบ้างคนนี้บ้างเรื่องเหตุการณ์อันนั้นอันนี้เรื่องกระทบกันแล้วก็บางทีก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราโกรธทำให้เราเสียใจทำให้เราเศร้าใจน้อยใจมันมีแต่สิ่งที่มันจะทำให้จิตเราลุ่มร้อนเศร้าหมองขุนมัวแต่ถ้าหาว่าเราสติเราคุมจิตไว้ได้คุมจิตไว้ได้อารมณ์ข้างนอกเนี่ยมันก็จะเบาลงเรื่อยๆเพราะว่าสติเราควบคุมจิตแล้วจิตของเรามันกลับเข้ามา กลับเข้ามามันก็จะมาอยู่ภายในเนี้ยมาอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่ข้างในอารมณ์ข้างนอกมันก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่ใส่ใจเราไม่ไปสนใจเราไม่ปล่อยใจไปคิดมันมันก็ค่อยๆดับไปสุดท้ายก็หายหน้าหายตาไปดับไปเทวสังขารมันดับไปสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตดับไปจิตของเราก็เข้ามาอยู่ภายในตัวเราเมื่อจิตของเรามาอยู่กับตัวเราเนี่ยมันก็จะมีความสงบ มีความสุขมีความเบิกบานมีความอิ่มเอิบมีความสงบมีความสุขความสบายขึ้นมาจิตก็เป็นสมาธิได้เพราะนั้นต้นทางของการปฏิบัติเนี่ยเราจึงพูดถึงเรื่องความเพียรความเพียรความพยายามความอดทนมันก็รวมอยู่ในการที่เราพยายามสํำรวมระวังเข้มงวดกวดขันเพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ย มันมีทั้งหลักธรรมะและก็ภาวินัยธรรมะก็คือการที่เรามีสติรักษาจิตแล้วก็เจริญจิตไปเรื่อยๆจิตตั้งมั่นเห็นความจริงรู้ความจริงปล่อยวางไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตเป็นอิสระมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันก็จะปัญญาญาณก็สูงขึ้นสูงขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของธรรมะคือภายในเพื่อให้จิตรู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วจิตจะปล่อยวางอีกด้านหนึ่งด้านนอก เขาเรียกว่าเป็นพวินัยไอ้ส่วนวินัยเนี่ยก็คือระบบระเบียบเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันมีความสํารวมได้ดีถ้าใครสามารถมีสร้างวินัยให้กับตัวเองขึ้นมาจัดระบบของตัวเองได้ดีจัดระเบียบการดําเนินชีวิตของตัวเองได้ดีสติจะควบคุมจิตได้ง่ายจิตก็จะเป็นสมาธิได้เร็วแล้วก็จะเป็นสมาธิที่มีพลัง มีกำลังมีความเข้มแข็งไม่ใช่สมาธิที่เข้าไปเสื่องซึมเสื่องซึมกึง่งครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือบางทีก็เพลินอยู่ภายในไม่รู้ว่าเป็นสมาธิหรือว่าหลับอันนี้มันเป็นสมาธิที่อ่อนแอเป็นสมาธิที่แค่เข้าไปพักแต่ถ้าจิตเนี่ยมันมีกำลังขึ้นมามัน ม, มีการเช่นงดกวดขันตัวเองมีความระมัดระวังเนี่ยมันจะมีความเข้มแข็งมีความอาหารเป็นจิตใจที่มีพลัง ทำอะไรจะแค่คล่องว่องไวถ้าแค่คล่องว่องไวเนี่จิตมันก็จะตื่นดีโดยเฉพาะถ้าใครเนี่ยเพียรที่จะฝึกบางทีถ้ามันจะมีเยอะเหมือนกันไอ้สิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนเนี่ยบางทีมันอืดอาดก็มีนะจิตเรามันอยากทําอะไรอืดอาดเนื่อยเหนือยในนาอย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยนะมันจะติดอืดอาดอยู่เรื่อยเลยทําอะไรชา้าช้าแต่ถ้าเราทําให้มันเร็วขึ้นสติให้แค่คล่องว่อ ง, งไวจิตเราก็จะเป็นกายเป็นจิตที่มีสติแค่คล่องว่องไวจิตก็จะตื่น ทำอะไรก็จะรวดเร็วสติเกิดเร็วสติควบคุมจิตได้เร็วจิตก็รู้อะไรได้รวดเร็วแก้ปัญหาได้รวดเร็วเพราะฉะนั้นจะช้าจะเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันพอดีกับจิตเราถ้าใครยังใหม่อยูออ่ถ้าอยากทำช้าก็ทำได้เพราะว่าเรายังต้องการสติต้องการสมาธิอันนี้มันเป็นขั้นต้นอยูอ่ถ้าทำเร็วแล้วมันหลุดง่ายก็ช้าก่อนได้ แต่ถ้าหากว่ามันมันจิตมีกําลังแล้วช่วงไหนที่มันเร็วได้ก็เร็วได้เลยมันทันจิตยอยู่แล้ววิยาการภายนอกมันก็เป็นส่วนประกอบเป็นเรื่องธรรมดาของการดําเนินชีวิตพอเรารู้เท่าทันจิตของเราเรื่องอื่นมันก็หมดความหมายไปภายนอกก็เป็นธรรมดาไปทําไปตามสมควรแต่ถ้าหากว่ามันยังเอาจิตไม่อยู่เนี่ยช้าก่อนก็ได้ให้มันพอดีกับความรู้สึกของเราพอดีที่จะรักษาจิตของเราได้ นี่ละเรารู้แล้วว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไหลออกไปข้างนอกแล้วยิ่งเราอยู่กับหน้าที่การงานนะเป็นขลรวาดญาตโยมถ้าหากว่าเราอยู่กับบ้านกับเรือนเราก็ทำมาหากินะ่ะมีหน้าที่การงานอะ่ะจนี้ก็พอมีโอกาสได้มาปฏิบัติถ้าเราสนใจปฏิบัติเนี่ยเราก็จะได้คุณภาพของจิตเราคุณภาพของชีวิตเราดีขึ้น ถ้าหากว่าคุณภาพจิตเรามันดีขึ้นเราก็เอาไปใช้ในการทําหน้าที่การงานด้วยหน้าที่การงานของเราก็จะดีขึ้นมาด้วยรัดกุมขึ้นแล้วโดยเฉพาะเวลาเราทํางานไปถ้าจิตมันมีสมาธิมันจะไม่ค่อยมีทุกข์อะทาไปก็ฝึกจิตไปด้วยกันได้พอฝึกชํานาญแล้วก็การงานก็เป็นการปฏิบัติทําไป มันก็ไม่แยกออกจากการงานได้มากได้น้อยก็ชีวิตเราดีขึ้นก็ดีแล้วถ้าใครมุ่งที่จะออกจากทุกอันนั้นก็อาจจะต้องเพียรมากหน่อยเป็นพิเศษถ้าใครที่ว่าเออสร้างบา ร, รมีไปได้มากน้อยแค่ไหนก็จะพยายามอย่างน้อยบา ร, รมีเราก็ไปได้เร็วขึ้นอภพชาติาก็จะได้สั้นเร็วๆแทนที่เราจะมาเวียนว่ายตายเกิดทุกซ้าแล้วซ้าอีกอเราก็มีความหวัง บอกโอ้เรานี้ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วแล้วลเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหมดทุกข์แล้วพระไศาสตร์บริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิงแล้วแล้วเราได้ปฏิบัติตามผู้ ท, ที่จิตใจศาสตร์บริสุทธิ์หมดจดไม่มีทุกข์ในจิตใจเนี่ยมันน่าภูมิใจนะมันน่าพอใจนะเพราะมันมีความหวังว่าวันใดวันหนึ่งเราต้องออกจากทุกข์ได้แน่เพราะเราเห็นอยู่ว่าชีวิตมันมีนมทุกข์จริงๆไม่ใช่เฉพาะเราหรอกสัตว์โลก ทั้งหมดมันมีทุกข์กันทั้งนั้นน่ะแต่เราเนี่ยพบทางออกแล้วอ่ะแน่ใจแล้วอ่ะว่าการเดินทางของชีวิตเราต่อไปนี้่มันเป็นทางออกจากทุกข์ถ้ามักคิดถึงชีวิตนี่แมมันนึกถึงแต่เรื่องไงความตายอย่างเงี้ยตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เนี่ยมันก็น่าสลดใจเหมือนกันนะมันน่าหาทางออกจริงๆเลยนะมันเหมือนไม่ได้อะไรเลยอะ่ะเพว่าตายปั๊บลงไปอะ่ะเราหวงอะไรอยู่เรายึดอะไรอยู่เราอะไรอะไรอยู่ติดข้องอะไรอยู่ มันก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยอ่ะมันต้องทิ้งหมดเลยอ่ะปล่อยหมดเลยวางหมดเลยมันก็น่าจะคลายออกได้จิตเราเนี่ยแล้วมันก็เลยเหมือนกับไม่ได้อะไรนะที่เราแสวงหาเนี่ยดิ้นรนขนาดไหนได้มากได้น้อยขนาดไหนก็ตามอะไรอวรขนาดไหนเพราะใต้ลงไปมันเอาไปไม่ได้เนี่ยเนี่ยมันก็เลยเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่มันจาเป็นอ่ะต้องทางาน ต้องหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงชีวิตของเราแล้วคนเรามีชีวิตอยู่ถ้ามันสุขสบายได้มันก็ยิ่งดีมันก็ไม่ผิดอะไรนี่นะที่เราจะต้องทำงานขยันขันแข็งหาเงินทองข้าว ข, ของเครื่องใช้ไม้สอยให้เรามีชีวิตอยู่ได้แล้วยิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยความสุขความสบายมันก็ไม่ผิดมันก็ถูกต้องแต่ถ้าหาว่าเราสยบมัวเมาอยู่แค่นี้จิตของเราก็ ตายแล้วเอาไปไม่ได้แล้วก็กลับมาเกิดอีกก็วนเวียนอยู่แค่นี้มันก็เลยไม่ได้มีอะไรอ่ะไม่มีสาระแต่ถ้าอีกด้านหนึ่งเราทำงานหาเงินเอาละมีความสุขความสบายแต่เราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าโอ้ชีวิตมีค่าขึ้นมาเลยนะที่นีเนี่คุณค่าของชีวิตอยู่ตรงนี้เลยที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่จึงเรียกว่ามาทาให้ชีวิตของตัวเองมีค่ามีคุณค่า ยิ่งเราตกลงกันว่าจะตั้งใจปฏิบัติจะเพียรพยายามกันก็ยิ่งเห็นคุณค่าของชีวิตมากเท่านั้นเห็นคุณค่าของการปฏิบัติแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเออเป็นที่พึ่งเป็นความหวังของชีวิตว่าใครเนี่ยอยากจะออกจากทุกข์หรือบรรเทาความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจก็พากันมาบ้านไทยเนี่ยให้มาปฏิบัติกันมีครูบาอาจารย์มาเป็นกำลังใจให้มาพูดธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ฟัง เกิดกำลังจิตกำลังใจเกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องขึ้นมามันทำให้เรามีความหวังขึ้นมามันก็ดีอ่ะอย่างน้อยโลกเราเนี่ยมองไปทางไหนมีไหมที่มันพอจะเป็นที่พึ่งแก่ชีวิตเราได้อ่ะมันก็มีแต่การที่จะแสวงหาสิ่งที่จะมาทำให้อำนวยความสะดวกให้แก่เราให้เรามีชีวิตอยู่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันไปติดสิ่งเหล่านั้นอ่ะไปคิดแต่ว่างเงินเท่านั้นละ ถึงจะมีความสุขได้นั่นได้นี่ถึงจะมีความสุขเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นหลงไปเลยบางคนได้เงินมากๆก็ไม่ได้มีความสุขจริงไงขณะที่หาเงินทุกแล้วทุกอีกทําในสิ่งผิดๆก็ทํานี่มันก็ยิ่งขาดทุนไปเลยนะเนี่ยความหลงมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเรามาตั้งหลักซะจะใช้หลักธรรมของมาวุธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตช่วงแรกก็อาจจะเพียรพยายามหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าสติเรามันก็ ยังอ่อนสมาธิอ่อนอินทรีย์อ่อนน่ะสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรมันอ่อนไปหมดมันก็เลยต้องมาเพียรมากหน่อยเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ใช้คําว่ามุ่งมั่นบากบัน่นเพียรพยายามอดทนมุ่งมั่นบากบัน่นคําว่าทอ้อถอยไม่มีอ่อนแอไม่มีตั้งแต่พระองค์ทรงผนวดเรียกว่าสละชีวิตเลยนั่นแสดงว่าเป้าหมายของพุทธเจ้านี่ชัดเจนต้องตรัสรู้ธรรมเท่านั้น ต้องตัดสิรู้ทำแล้วก็ออกจากทุกข์ได้เท่านั้นคือเป้าหมายเมื่อบรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วจึงจะสอนคนอื่นให้รู้ตามมีชัดเจนเพราะนั้นความเพียรมันก็ไม่ถอยในเมื่อเราก็เห็นเหมือนกันว่าชีวิตมันเป็นทุกข์อ่ะใครๆก็รู้เวลามันเป็นทุกข์เป็นยังไงเวลาจิตมันมีทุกข์โอ้โหมันบีบคั้นนะมันเสียดแทงนะมันร้อนอ่ะมันไม่สบายเลยอ่ะ ไม่รู้จะพรณนาอย่างไงนะเพราะทุกคนก็เคยเห็นทุกมาแค่ความคิดที่มันทำให้เราไม่สบายอย่างเงี้ยมันก็เสียดแทงใจเผาลนจิตใจทับถมจิตใจทำให้ใจลุ่มร้อนมันเกิดความทุกเกิดความทรมานทีนี้ถ้าใครมีสตินะเห็นพวกนี้ปับ๊บมันจะสะท้อนไปหาคนอื่นนะโอ้สงสารคนอื่นมากๆเลยนะโอเวลาเขาทุ ก, ก็จะเหมือนกันนี้เวลาเขาทุ ก, ก็จะเหมือนกันนี้ ไม่อยากทําให้ใครเป็นทุกข์เลยเพราะมันเห็นแล้วว่าเวลาความทุกข์มันเกิดในจิตเราเนี่ยมันเจ็บปวดมันทรมานมันเสียบแทงมันบีบคั้นจริงๆเพราะว่าเรามีสติอยู่อ่ะพอเห็นความทุกข์เกิดขึ้นในจิตเนี่ยมันก็เลยรู้ว่าอ๋อเวลามีความทุกข์เนี่ยมันไม่สบายกันทุกคนอะมันเป็นอย่างที่เราเป็นเนี่ยแล้วมันจะไปคิดอยากบีดเบียนคนอื่นมันก็ไม่มีหน้าที่นี้ นี่ถ้าเราเห็นแล้วว่าชีวิตมันเป็นทุกข์อ่ะเถรวิเกิดเวียนตายอย่างเงี้ยมันไม่ไหวแนละ้วต้องหาทางออกลวและอย่างหนึ่งเนี่ยเวลามันมีทุกข์หรือสุขอะไรก็ตามเราจะต้องทำกรรมต้องมีการกระทำทางจิตใจก็มโนกรรมทางวาจาก็วจีกรรมทางร่างกายก็กายกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็ต้องมีผลของกรรมอะ่ะก็เป็นอันว่าเกิดมาแล้วก็สร้างกรรมสร้างกรรมแล้วก็รับผลของกรรมเกิดมาแล้วก็ กรรมก็พาให้มาเกิดเกิดมาแล้วก็มีกรรมกรรมก็ให้ผลน่ก็เสวยผลกรรมก็เลยมีแต่เรื่องกรรมกับผลของกรรมมารับกรรมแล้วก็รับผลของกรรมสร้างกรรมแล้วก็มีผลของกรรมเกิดขึ้นกรรมผลของกรรมกรรมผลของกรรมไม่มีอะไรเลยในวัฏสงสารเนี่ยมีแค่นี้เองเกิดตายเกิดตายแล้วก็ไม่ได้มีสาระอะไรกรรมผลของกรรมกรรมผลของกรรม กรรมก็พาให้มาเกิดเกิดแล้วก็สเสวยผลของกรรมกรรมพาให้มาเกิดเกิดแล้วก็สเสวยผลของกรรมไม่มีอะไรเลยบ้างเปล่าจริงๆแต่ความหลงนี่มันเหมือนจะได้นะเหมือนจะได้เหมือนจะเป็นจริงเป็นจังทาไม่ได้มันก็เจ็บปวดทุกทรมานดูที่ความหลงนี่มันขนาดนั้นนะนี่ยนั้นความหลงนะยิ่งใครมีความหลงมากความอยากความต้องการมันก็มากเพราะมันอยากทำให้ตัวตนเนี่ยมีความสุข แต่มันหลงว่ามีตัวตนเวลาผู้เท่าวัตรสรู้นี่คือหมดตัวหมดตนเลยไม่มีตัวตนเลยแต่ความหลงบอกว่าตัวตนมีตัวตนแล้วมันก็อยากได้สุขเวทนามันไม่รู้ด้วยว่าเป็นเวทนาไอ้ความสุขอ่ะมันอยากให้เรามีความสุขแต่ไอ้ความสุขจริงๆเป็นเวทนาแต่เราก็บอกว่าเป็นความสุขของเรามันซ้อนๆอยู่นะเนี่ยไอ้ความหลงพวกนี้มันก็อยากให้เรามีความสุข ไอตัวตันหามันก็อยากให้เรามีความสุข ท, ทั้งทั้งที่ความสุขนะก็เป็นสุขเวทนาแค่นั้นเองถ้าสติปัญญามันเข้าไปถึงจริงๆเนี่ยสุขเวทนาทุกขเวทนาไม่ได้มีอะไรเวทนาเคยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเอาไม้สองอันมาสีกันสีกันสีไปสีไปสีไ ป, ไปความร้อนเกิดขึ้นความร้อนเกิดจากการเอาไม้สองอันมาสีไฟถ้าหยุดสีความร้อนก็ดับและเป็นความร้อนของเราเป็นไปไม่ได้มีตาก็ต้องกระทบรูป กระทบวัตถุทั้งหลายมันก็จะเกิดนี่แหละเวทนาขึ้นมาเวทนาก็เหมือนกับไอ้ไม้สองอันสีกันเกิดความร้อนขึ้นมาความร้อนก็เกิดจากเหตุจากปัจจัยหยุดสีความร้อนดับเกิดดับในความร้อนเนี่ยเหมือนกับตากระทบรูปปั๊บมันก็จะมีเวทนาขึ้นมามีความรู้สึกปั๊บขึ้นมาความรู้สึกอันนี้มันก็เกิดจากการกระทบอารมณ์ถ้าไม่มีอะไรกระทบก็ดับแต่ปัญญาเราไม่ทันตรงเนี้ย พอกระทบปั๊บมันสุขเหล่าสุขแล้วก็อยากให้ตัวเองมีความสุขมากๆก็เลยมีตัณหาขึ้นมาตัณหามันก็คือไปยึดเวทนาคือถ้ามองว่าเอาไม้สองอันมาสีกันแล้วมันเกิดความร้อนเนี่ยมันเข้าใจง่ายหรือเรามีลิ้นในลิ้นเรามีระบบประสาทในอาหารเนี่ยมันจะมีโอชารสเขาเรียกมันมีรสชาติมีโอชารสอยู่ในนั้นถ้าอาหารมากระทบลิ้นถ้ามันพอดีกันมันจะอร่อยเรียกว่าสุขเวทนา เพราะมันเป็นเหตุปัจจัยของมันถ้าเกินลงไปเสียความอร่อยก็หายไปไม่ได้มีมีชั่วคราวนิดเดียวนิดเดียวตรงที่อาหารมากระทบกับระบบประสาทในลิ้นแล้วมันพอดีกันเลยอร่อยอร่อยก็เราอร่อยมีความหลงมันบอกว่าเราอร่อยตัณหามันก็อยากให้เรามีความสุขอยากอร่อยบ่อยๆ อ, อยากอร่อยมากๆ ม, มันก็เลยอยากเอามากๆหรือมันก็วางแผนเอาไว้วันหน้ามันจะเอามากๆ ก, ก็มาจากความหลงนั่นแหละ มันไม่รู้อะความจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าใครมีสติดีจะทันจะทันการทํางานของจิตเราอย่าบอกมันทันไหมมันทันไอ้พวกภัสสะเหล่านี้ไหมหรือต้นเหตุมันมาจากภัสสะนี่แหละในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเพราะอะไรคนมาเกิดเนี่ยมันก็ต้องมีกรรมพามาเกิดมีกรรมพามาเกิดไอ้กรรมเนี่ยมันถูกเก็บเอาไว้ในผวังขจิตหรือภวังขวิญญาณเพราะฉะนั้นเวลาวิญญาณออกไปทํางานปั๊บกระทบอารมณ์ปั๊บวิญญาณมันจะไปรับรู้อารมณ์ทางตาก็จะขูวิญญาณปั๊บ มันก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาตามอนาจของกรรมที่เราเคยทําไว้นั่นแหละถ้าใครเคยทํากรรมดีมันก็เจอสิ่งดีๆทําให้มีสุขกับขวเวทนามีความสุขอ่ะก็เรื่องของกรรมท้าจะมองย้อนไปก็คือกรรมเรานั่นแหละมันให้ผลถ้าใครทํากรรมไม่ดีไว้มากกระทบอารมณ์ก็ทุกข์บ่อยมีแต่เรื่องราวทำให้ตัวเองเป็นทุกข์มันจะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแม้ใจตัวเองก็คิด ในทางทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ถ้าย้อนไปมันก็เนี่ยมันก็มาจากกรรมเก่ากรรมมันให้ผลถ้ารู้วมถ้ามีสติดีว่ามันโอ้ยมันเป็นเรื่องของกรรมเก่ามันก็ดับไปปล่อยไปวางไปจบไปก็แล้วไปแล้วไปเอใช้กรรมไปแล้วจบแล้วเรื่องนี้แต่ถ้ามันไม่จบมันก็จะปรุงแต่งต่อไปตามอํานาจของตัณหาตัณหาก็มีทั้งพวตัณหาวิภวตัณหากรรมตัณหาภวตัณหาวิพวะตนาตัณหาบ่อยมันก็เป็นอุปทานขึนยึดไว้ที่นี้โอ้โหแน่นเลยที่นี่ ไม่ปล่อยแล้วปัญหาเกิดแน่นอนแล้วทุกเกิดแน่นอนแล้วเพราะไปยึดเอาไว้แล้วถ้าช่วงที่เกิดตัณหารู้ทันนี่ดับยังไม่มีอะไรทําอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่ทําตามตัณหานั้นจบไม่ทําตามความอยากอันนี้เป็นเรื่องของจิตเราทั้งหมดเลยนะคือทุกอย่างมันมาจากจิตอะ่ะมาคราวนี้เราก็เลยว่าเราจะพยายามทําความเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานของจิตเราเราจะได้รู้ว่าเนี่ย เราจําเป็นจะต้องสํารวมสติเพื่อให้รู้เท่าทันจิตของเราเพราะจิตของเรามันมีความหลงอยู่ในนั้นมันเป็นหลงกับอะไรอ่ะแล้วมันจะเอาเรื่องนั้นมาคิดปรุงแต่งขึ้นในจิตมันปรุงแต่งบ่อยนี้มันก็ไปยึดเอาไว้มีความอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการแล้วก็ยึดเอาไว้ก็เป็นอุปทานเมื่ออุปทานเมื่อไหร่มันก็อยากจะทํากรรมเพื่อให้ได้ตามอํานาจอุปทานนั้นอุปทานมันก็จะทําตามแนวของตัณหา ตระหนักก็มาจากหลงเวทนาอยากได้สุขเขเวทนาอยากได้เวทนาดีๆอยากได้สิ่งดีๆเพื่อให้ตัวเองมีความสุขต้นตองมันก็เลยความหลงว่ามีเรามันอยากทำเพื่อตัวเราอยากให้เรามีความสุขมันอยากบ่อยๆมันก็มีอุปทานเหนียวน่นกูต้องมีได้อย่างนี้ถึงจะมีความสุขต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นออานขาวนี้ทำไม่ได้ทุกทุกง่ายๆเลยทีนี้ มันก็บีบค้านใจทนไม่ไหวผิดก็เอาถูกก็เอาที่นี่ไม่สามารถที่จะมีปัญญารู้ถ้าเราเอามาแล้วมันจะเพิ่มปัญหาให้กับเราไ้ยเพิ่มความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับเราไหมหรือถ้าเราไม่ได้มันมามันตายไหมถ้าเด็ดขาดลงไปก็จบหยุดมันได้เนี่ยกำลังใจก็สำคัญมันนี่จะเจริญสติไปด้วยเข้มงวดกวดขันมีวินัยด้วยเพื่อพัฒนาจิตเราให้มีคุณภาพ เราจะได้สู้กับข่าศึกศัตรูที่มันจะมาย่ํายีจิตของเราไม่เชื่อลองได้เลยนี่เอาแค่ตอนที่เรามาปฏิบัติกันนี่ล่ะคือมันก็ดีอย่างพอทําข้อตกลงกันเอาไว้แล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยต่างคนต่างปฏิบัตินะใครไม่พูดไม่จา ก, ก็ถือว่าคนนั้นกําลังตั้งใจปฏิบัติสําททรวมระวังถ้ามีความจําเป็นก็พูดกันพูดเท่าที่จําเป็นพูดแต่น้อยโดยเฉพาะอะไรที่มันไม่จําเป็นอ่ะ พยายามไม่ให้มันลุงหลังอะพวกโทรศัพท์อะไรเนี่ยก็เอาเท่าที่จําเป็นจริงๆอย่าให้มันเอาเวลาเราไปอ่ะเราเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้นี่มากสิ่งที่ไร้สาละเนี่ยมันดึงดูดเวลาเราไปมากแทนที่เราจะมีเวลามาปฏิบัติจิตของเราให้ปัญหาในชีวิตของเราลดลงให้ความทุกข์ภายในจิตเราลดลง ให้จิตของเราจเจริญก้าวหน้าขึ้นไปในทางที่จะไม่มีทุกข์ในทางที่จะทุกข์น้อยลงไปไม่ค่อยมีเวลาแทนที่เราจะมาเดินตามทางของพุทธเจ้าให้มันใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปเราก็ไม่เดินเสียกลายเป็นคนประมาทไปกลายเป็นคนหลงทางหลงทางแล้วก็ยอมเดิน ไปตามอำนาจความหลงอันนั้นแล้วเราก็จะเวียนเกิดเวียนตายแล้วก็ไม่ได้อะไรอีกเกิดมาแล้วก็สร้างกรรมแล้วก็ผลของกรรมสร้างกรรมแล้วก็สวยผลของกรรมอยู่เงี้ยแล้วมันได้อะไรคนที่รู้จริงๆก็คือคนที่หลุดพ้นแล้วไม่มีทุกข์แล้วนี่มองเห็นความว่างเปล่าของชีวิตว่าไม่มีอะไรถ้ายังมีชีวิตอยู่กระทาในสิ่งที่มันมีคุณค่าให้สมกับที่มันได้เกิดมา คุณค่าของชีวิตที่มันได้เกิดมาเนี่ยมันมีค่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีค่าก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ทำให้พระธรรมคำสอนของพุทธเจ้ามีคุณค่าต่อชีวิตเราคือการปฏิบัติของเราเองการปฏิบัติจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็คือความตั้งใจของเราตั้งใจแล้วมันก็จะมีความเพียรความพยายามความอดทนสร้างเหตุเมื่อเหตุมันเพียงพอเมื่อไหร่ผลก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอน เหมือนพระพุทธเจ้าองค์แหลกเลยท่านก็เพียรพยายามปฏิบัติจนทนทุกข์ได้จริงแล้วก็ามาประกาศเผยแพร่ให้สาวกได้ปฏิบัติตามในสมัยพระเจ้าก็ บ, บรรลุตามพระพุทธเจ้ามากมายมหาศาลเลยในยุคนั้นที่ไม่มีชื่อเสียงเนี่ยโอ้เยอะแยะบรรลุเป็นปาถนที่นั่นที่นี่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นโกธทั้งเทวดาด้วยหลายหมืน่น เทศแต่ละกันแต่ละสูตรแต่ละพสูตรเนี่ยบางทีมนุษย์นี่น้อยเทวดาเยอะแม้ในยุคสมัยนี้ผู้ที่ปฏิบัติตามก็ยังมีอยู่ถ้าเราปฏิบัติตามเราก็ต้องมีส่วนในตรงนั้นด้วยไม่ใช่ว่ามีแต่ครั้งพุทธกาลแล้วก็มีในจิตใจคนอื่นเท่านั้นมันอยู่ในจิตใจผู้ปฏิบัติปโสดาบันสักคาคามีพานาคามีพอ่อหลานในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีจริง อย่างน้อยเราเป็นคนหนึ่งที่ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเหมือนก็นได้เดินตามรอยพระบาทของพพุทธเจ้าไปมันก็พอที่จะรู้สึกว่าเออเราไม่ไม่ใช่คนหลงทางอีกแล้วอ่ะเรากำลังเดินตามรอยพระบาทของพระาศาสดาแล้วอ่ะเรามีาศาสดาแล้วอ่ะาศาสดาของเรามีเป้าหมายอยู่ตรงไหนอะ่ะเราก็จะเดินไปจนมันถึงเป้าหมายนั้นอ่ะเป้าหมายของคาสอนของพระเจ้าก็คือไม่มีทุกข์อ่ะ ไม่มีทุกข์ก็คือถึงปานิพานอันเดียวกันเลยไม่มีทุกข์ก็คือถึงปานิพานก็คือหมดตัณหาหมดกิเลสหมดอวิชชาหมดความหลงแต่พูดในแง่ความสุขก็บัลลมะสุขไม่มีทุกข์อีกต่อไปแล้วในความว่างมันก็มีความเบิกบานมีความอิ่มเต็มของจิตใจใจก็มีพลังกายก็มีพลังจิตใจก็ตื่นรู้ดําเนินชีวิตไปอย่างมีคุณค่า อยู่เหนือพวกกิเลสตัณหาทั้งหมดเหนืออารมณ์ของโลกแล้วมันจะสบายขนาดไหนอะอารมณ์ทั้งหลายมันไม่สามารถทําให้เราเป็นทุกข์ได้ไม่สามารถย่ายีจิตใจเราได้อีกต่อไปแล้วชีวิตมันก็มีคุณค่าขึ้นมาผลอุดมคติของชีวิตหน้าที่ของผู้ที่เกิดมาเนี่ยก็เพื่อที่จะหาทางออกจากทุกข์ดับทุกข์พ้นทุกข์เท่านั้นแหละไม่งั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าเราไม่รู้จุดหมายปลายทางตรงนี้ ถ้าเรารู้จุดหมายปลายทางแล้วต้องว่าต้องออกจากทุกขก็ต้องปฏิบัติ ต, ตามพระพุทธเจ้าบางคนก็กลัวนะมาคิดเอาว่าโอ๊ยออกจากทุกแล้วอยที่เราเคยมีอยู่นี้ล่ะมองดูสามีภรรยาหรือว่าลูกเต่าล้านเลนทรัพย์สมบัติพระสถานเนี่ยแมมันน่าอะไรอาวอนจริงๆเลยหลงนี่แหละความหลงมันพาเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับว่าจะได้อะไรอยู่ข้างหน้า เหมือนมีความสุขที่จะทำให้เราอิ่มเต็มสมบูรณ์แบบอยู่ข้างหน้าเหมือนจะได้สักวันหนึ่งนั้นแหละมันลอแล้วมันจะได้อะไรอะ่ะเกิดตายอยู่เงี้ยแล้วมันจะได้อะไรธรรมะนี่มันมันต้องเข้าใจชีวิตอะ่ะสิ่งที่ได้ต้องเป็นธรรมะต้องเป็นฝ่ายปัญญาญาณฝ่ายที่จิตมันรู้ความจริงแล้วมันปลดปล่อยตัวมันเองเป็นอิสระ เป็นิสรานี่มันปล่อยตัวมันเองด้วยนะไม่ใช่มันจะไปยึดจิตนะยึดจิตไม่ได้ด้วยแต่ใครอยากรัดสั้นนี่ไม่มีอะไรเลยโดยเว่าตัวรู้นี่แหมสำคัญมากไปหวงตัวรู้อยู่ก็ไม่ได้บางคนดูจิตดูจิตแล้วก็ไปพยายามให้มันรู้อยู่ตลอดรู้อยู่ตลอดรู้อยู่ตลอดไม่วางตัวรู้ไปไม่ได้ทิ้งตัวรู้ไม่เอามันเลยไม่เอามันเลยไม่มีเลยไม่มีเลยวางเปล่าเลย มันไม่มีตั้งแต่ทีแรกมันเกิดมาแล้วมันมันมาจากไหนก็ไม่รู้มันไม่ได้มีเราอยู่เลยตั้งแต่ทีแรกนู่นนี่พระเจ้านี่จึงได้บอกจิต ด, ดั้งเดิมก็คือจิตที่มันไม่มีอะไรเป็นเราพบความจริงก็ปล่อยวางได้มีความหลงนี่นี่อยู่นานเข้านานก็ว่นหลงหลวิชามันก็ก่อเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นมุนกพาวเวียนว่ายตายเกิดบกบน จนหลงขนาดหนักไม่อยากออกจากทุกข์เลยไม่อยากออกจากวัฏสงสารนี่มันหลงขนาดนี้นะเพราะถ้าใครอยากเริ่มต้นถูกต้องก็คือว่าต้องเชื่อการตัดสรุของมุยาวเชื่อคำสอนมอขยาวขันห้านี่ะหลนไม่ใช่เราเพราะกล่าวโดยย่ออุปทานในขันท่าห้าคือตัวทุกข์กายกับใจนี่แหละมันไม่ใช่เราเพราะนั้นมองดูมันเฉยๆเลยถ้าใครกล้าพอนะ ไม่ใช่เราทิ้งเลยวางเลยอะไรโผลมาไม่ใช่เราไม่เอาทั้งนั้นไม่เอาทั้งนั้นไม่เอาไม่เอาทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปอย่างนี้ก็เร็วแต่มันต้องมีจิตก็ต้องมีสมาธิบ้างไม่งั้นมันก็ไม่เห็นอะไรอะ่ะมเพื่อมีสติควบคุมจิตเป็นสมาธิขึ้นมาตอนแรกๆมันก็พูดถึงสมาธิหน่อยต่อไปนี่มันจะนานเข้านานเข้ามันจะพูดถึงปัญญาพูดถึงญาณ พูดถึงการปล่อยวางมันเหมือนกับมันไม่ติดสมาธิเลยอะ่ะเหมือนมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมชาติไปเลยมันก็เลยไม่ค่อยพูดถึงสมาธิพูดถึงเรื่องการปล่อยวางพูดถึงการทิ้งการไม่เอามายึดอะไรไม่ติดอะไรไม่มีเราอยู่แล้วไอ้มีเราก็พราะนั่นแหละอาวิชาหลงเนี่ยเราจะปล่อยให้ความหลงควอมงามเราตลอดไม่ได้ปล่อยมันเลยกล้ า, าหาญไหม คนผู้ที่ถึงทำจริงๆเนี่ยไม่อยากเลยเวลาเข้าสมาธิอ่ะทิ้งผู้รู้ไอ้ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันดับอยู่แล้วมันดับอยู่แล้วมันดับอยู่แล้วแค่เนี้ยมันไปของมันแล้ววางหมดแล้วพอวางหมดแล้วมันก็ว่างสมาธิมันก็เต็มของมันอยู่อย่างนั้นแหละมันแต่ว่ามันไม่พูดถึงเรื่องของสมาธิมันทรงตัวอยู่แบบอิสระพอใครอยากรัดสัน้นไม่อยากอะไรมาทิ้งเลยไม่เอาไม่เอาแม้แต่ตัวจิตก็ไม่ใช่เราอยู่แล้ว เดิมดั้งเดิมของมันก็ไม่ใช่เราตั้งแต่ที่แรกอยู่แล้วมันแค่ความหลงเฉยกล้าปล่อยปล่อยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะหลุดจากโลกอะไรหรอกมันก็จะรู้อยู่นี่แหละแต่รู้แบบปล่อยในธรรมชาติมันก็จะมีรู้แบบธรรมชาติไปเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันจึงขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพจิตของเรามันเป็นยังไงถ้าว่าจิตของเรามันกําลังมันอย่างน้อยอ่ะถ้าเราไปปล่อยมันเผลอไปหลุดไปเอ้าก็ยังปล่อยไม่ได้ควรเอาไปดูอะไรก็ดู นี่เราก็ต้องฉลาดในการที่เราจะปฏิบัติจิตของเรามันไม่เท่ากันหรอกเพราะนั้นเวลาพูดก็พูดภาพรวมของจิตนะแล้วแต่จังหวะว่าจะพูดไปถึงไหนตรงไหนก็พูดย้ำเข้าไปเท่านั้นเองถาว่าจิตของเรามันยังต้องบริกรรมต้องคุมอยู่อันนี้แสดงว่าเรากำลังจะคุมจิตให้อยู่ก็กำลังเดินตามทางของพระเจ้านั่นแหละแต่มันอยู่ในขั้นตอนนี้ก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงปัญญาาณอะไรชั้งสูง แต่ว่าหลักธรรมของเจ้าให้มันมีอยู่ในจิตใจว่าจริงๆไม่มีเราอยู่แล้วปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่าไม่มีเราสุดท้ายอ่ะวันระหว่างปฏิบัตินี่ก็พยายามไม่ยึดอะไรเลยสภาวะธรรมจะดีไม่ดีไม่สําคัญสงบไม่สงบปล่อยมันเลยมีหน้าที่จเจริญสติเรื่อยไปเผลอบางอะไรบ้างช่างมันเอาใหม่ให้มันง่ายๆแบบนี้เลยเราเคยปฏิบัติมายัางไงาวางเอาไว้เอาปัจจุบันรู้ไปเลย รู้แล้วก็รู้แบบปล่อยด้วยไม่มีเราแต่ทีแรกแล้วไม่ไปสนใจจะดีหรือไม่ดีก็ให้รู้อย่างเดียวรู้แล้วก็ปล่อยด้วยเหมือนไม่เอาอะไรผ่านเข้ามาก็แค่มันจะมาสอนเราให้เห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วต้องดับแล้วก็เห็นความเกิดดับก่อนต่อไปความเกิดดับถี่ขึ้นชัดขึ้นเนี่ยสุดท้ายมันตัดสินได้เพราะมันตัดสินต่อไปยานมันแก่กล้าขึ้นมาอะไรผ่านเข้ามาวันนี้มันจะ ภาวะความเกิดดับนี่มันจะแสดงตัวของมันเองเลยเพื่อให้เราเข้าใจธรรมชาติทั้งหมดเพราะถ้าคนที่สัมรวมระวังเนี่ยจิตมีกําลังเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีญาณพวกนี้อยู่ในจิตตัวเองถ้าปัญญามันแก่กล้าปั๊บมันจะเห็นล้วนแล้วแต่ไม่มีอะไรเลยเที่ยงเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ลงสู่อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามก็วางหมดวางไปเรื่อยวางไปเรื่อยอันนี้ต้องอาศัยความตั้งใจ ความมีวินัยในตัวเองเข้มวดกวดขันตัวเองจะได้ผลเร็วแต่ไม่ใช่ความยากนะหมายว่าสร้างเหตุถูกต้องผลของการปฏิบัติจะเกิดขึ้นเองแต่ถ้าละหลวมโอ้จะให้จิตมันเข้มแข็งจะให้จิตมันจริงจังจะให้จิตมันมีกําลังมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราละหลวมเราอ่อนแอเราคอยตามกิเลสตัณหากิเลสตัณหามันก็ครอบงําจิตอ่ะแต่เราเพียรพยายามอดทนไปมันยังไม่สงบไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้สนใจว่าสงบหรือไม่สงบเราสนใจว่าเรากําลังสร้างเหตุ พยายามมีสติเรื่อยไปพอใจสร้างเหตุส่วนใหญ่เวลาปฏิบัติพอใจจะเอาแต่ผลมันก็เลยเป็นปัญหาเนี่ยที่มีคําถามมีอะไรก็คือนี่แหละมันอยากอยากให้ได้อย่างนั้นอยากให้ได้อย่างนี้ก็เป็นธรรมดาน้ำก็มีบ้างคําว่าวิจิกิจฉามก็เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งมันก็ต้องเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเวลามันเกิดขึ้นถ้าเรารู้ทันมันมันก็ไม่เป็นนิวรณ์เด็กนนี้เพราะอะไรเพราะเรา สติปัญญาเรายังไม่ทันมันก็เลยเกิดวิจิตติษาขึ้นมาสงสัยสงสัยก็ทัพถามผู้รู้หรือวันศึกษาเอาเดี๋ยวนี้สื่อก็เยอะหนังสือนังหาเยอะเราค้นคว้าเองไม่ได้ก็ถามผู้รู้ไปหรือว่ารู้บางทีมันสงสัยก็รู้ว่าสงสัยเดี๋ยวมันก็มีคําตอบให้เวลาปฏิบัติไปอหลักการก็เข้าใจแล้วว่าจิตของเรามันเร็วมากมันชอบไปเอาเรื่องเอาราวข้างนอกเข้ามากุ้มลุมจิตตัวเอง ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เราก็เลยพยายามที่จะมีสติเอาจิตเราออกมาจากอารมณ์ทั้งหลายออกมาจากสิ่งที่จิตไปยึดไปเกาะไปเกี่ยวไปหน่วงไปเหนี่ยวจากอารมณ์ทั้งหลายที่มันครอบงําจิตให้จิตมันออกมาอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งภายในตัวเรานี้แล้วอารมณ์ข้างนอกนั้นมันจะเบาลงเบาลงแล้วก็ดับไปทามันดับไปได้จิตเราก็เป็นสมาธิขึ้นมาเผื่อเป็นสมาธิ ถ้ามันอยู่ข้างในนี้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งสักห้านาทีมันก็แสดงว่าเป็นสมาธิหนาทีแต่จิตมันเร็วสติยังอ่อนอยู่ก็เผลอไปเพลินไปเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่การดำเนินชีวิตของเร า, ามันอยู่กับโลกมากอยู่กับเรื่องข้างนอกมากอยู่กับหน้าที่การงานอยู่กับครอบครัวอยู่กับเรื่องอะไรต่ออะไรข้างนอกหมดดะที่จะมาปฏิบัติเข้มงวดขวดขันน้อย อันนี้มันเป็นเรื่องของคนที่ตั้งใจจริงตั้งใจจริงมีละเลียวมีบรารมีคนที่มีบรารมีมันจะตั้งใจของมันเองมันจะอยากปฏิบัติขึ้นมามันจะหาทาทุกวทีทางที่จะให้ตัวเองได้ปฏิบัติทาปฏิบัติแบบเข้มงวดกวดขันเข้มแข็งเพราะมันเห็นคุณค่าของการปฏิบัติหรือว่าอินทรีย์มันแก่กล้ามันยึงทุ่มเทการปฏิบัติได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะ ช่วงแรกๆถึงแล้แม้ว่าเราจะอ่อนแอหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะแต่ถ้าเราเพียรขึ้นมาเนี่ยนั่นก็แสดงว่าถึงเวลาแล้วมันจะมีช่วงของมันอยู่ไอจิตเนี่ยมันอ่อนแอรก็ไม่ใช่เราจะออนแอตลอดไปนี่เราเข้าใจแล้วเราเปลี่ยนพิกชีวิตใหม่บางทีก็ไปเร็วกว่าคนที่ไปก่อนเราก็ได้ด้วยนี่มันก็ไม่แน่นอนอะ่ะอยู่ที่ตัวเราเองอะ่ะเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็ต้องฝึกสมาธิต่อไปอให้มันตั้งมั่นให้ได้ แรงๆมันก็เออมันก็ไปพักอยู่ก็ใช่มันเป็นธรรมดาในเมื่อจิตมันเคยวุ่นวุ่นมันได้พักบ้างมันก็ดีอ่ะมันก็สงบมันก็สบายอ่ะมันก็ไม่ได้ติดอะไรนี่มันก็ต้องดีแล้วนี่ดีกว่าให้มันทุกข์อ่ะดีกว่าให้มีอารมณ์มันวุ่นวายอยู่ในจิตใจให้มันสงบเพราะจะสงบหน่อยบางคนก็กลัวติดสมาธะกลัวติดสมาธิเอามันก็ไม่สงบสักทีอะสิเพราะไปกลัวแล้วอ่ะไม่ต้องไปกลัวเลยดูมันลงไป สงบรู้่าสงบให้มีสติบางทีเอาสติมันยังอ่อนอยู่สมาธิมันเข้าไปใหม่ใหม่มันก็มีกําลังก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันยังไม่รู้อะไรก็ไม่เป็นไรอะ่ะแล้วเรามาฝึกเอาพอสติเราแข็งขึ้นแข็งขึ้นเดี๋ยวมันก็มีสติมีสัมปัสชัญญะขึ้นมามันก็รู้อะไรได้ต่ออะไรเกิดขึ้นมามันจะพัฒนาไปเพราะนั้นแม้ความกลัวต้องไม่ให้มีกังวลไม่ให้มีไม่ยินดีไม่ยินร้าย เนี่ยหลักธรรมของพระเจ้าเนี่ยหลักสําคัญมากไอ้ตรงเนี้ยมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดความยินดีร้ายที่มันจะเกิดขึ้นมาให้ได้ก็คือกําจัดความยินดีรายในโลกนั่นแหละในขณะปฏิบัตินี่มันเกิดความยินดีรายมาต้องกําจัดมันออกไประวังไม่ให้หลงยินดีร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้ายละความยินดีร้ายมันมาแล้วก็ละมันห้ามมันไม่ได้มันเกิดแล้วก็ละมัน ดูมันไปเดี๋ยวมันก็ค่อยๆดับไปดับไปมันก็พัฒนาไปเรื่อยอจิตอะ่ะถ้าใครปฏิบัติเดี๋ยวมันก็จะรู้ทางมันเองอะ่ะพราะเราพูดเราก็พูดแบบรวบรัดเนไยพูดอธิบายแต่เวลาปฏิบัติมันอีกแบบหนึง่งทําไปแล้วจะเกิดความเข้าใจไปเรื่อยเรื่อยเืยเย่แล้วก็ต่อไปเราก็จะมีช่องทางเป็นของตัวเองเพราอมันจะพักก็ให้มันพักไม่เป็นไรเพราะเรานานๆเรามาปฏิบัติอย่างเงี้ย ได้พักผ่อนนางจิตใจสงบอยู่ภายในเนี่ยมันมีอะไรรบกวนจิตอ่ะบางทีก็ดูลมบ้างดูลมจิตไปดูลมลมปั๊บจิตไปดูลมเนี่ยเขาเรียกวิตกลมมาปั๊บจิตปั๊บไปดูลมเนี่ยวิตกวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เดีวปั๊บจากนั้นก็พยายามที่จะให้จิตอยู่กับลมนั้นลมหายใจเข้าออก อันนี้เรียนวิจารณ์ประครับประคอให้จิตคอเคอยู่กับอารมณ์นั้นอยู่กับลมนั้ น, น, นต่อมานี่มันละเอียดเข้าไปมันก็จะไปดูพวกปิติความอิ่มใจเนี่มันเข้าหาใจีนี่มันจะรู้สึกมันวางไอ้พวกหยาบหยาบนี้ลมยังหยาบอยู่ไม่สนใจลมแล้วทีนี่มีลมก็มีลมก็มีลมไปแต่มันไปมาดูจิตดูความอิ่มเ อ, อิบเปิบบานของจิต หรืมาดูความสุขความสบายภายในจิตมาดูความสงบมาดูความว่างมาดูความเฉยของจิตดูเบกขาภายในจิตขึ้นอยู่ความพอดีเนี่ยีมันมาสนใจใเรื่องจิตแล้วทีนี้เพราะมันมันละเอียดขึ้นมาแล้วตอนแรกลมเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นเรื่องของร่างกายไปหรือจะดูกายดูอะไรก็ตามสุดท้ายมันก็จะเข้ามาเนี่ยมาหาลมที่ละเอียดขึ้นดูจิตเอาลมแรงมาก็ดูลม มันก็ไปมาระหว่างเนี้เพราะมันยังอยู่ในขั้นนี้อยู่บางทีมันก็ละเอียดเข้าไปเองก็ไปเป็นสุขก็ไปดูสุขเนี่ยวางสุขเสียมก็เป็นเอกขตามีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวลมแรงมปเองก็ไปดูลมใหม่เดี๋ยวก็ประคับประคองเดี๋ยวก็มาดูปิติเดี๋ยวมาดูสุขเดี๋ยวก็เป็นเอกขตาขึ้นมานี่เขาเรียกปฐมฌานก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันก็อย่างน้อยเรามีความสุขหรือไม่เป็นแบบนี้ก็ตามจิตนิ่งจิตเฉย ไม่มีอารมณ์อะไรรบกวนแล้วอะไรเกิดขึ้นรู้ก็ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่รบกวนจิตเลยอ่ะจิตเราสบายเลยอ่ะบางคนนี่อะไรเกิดขึ้นรู้หมดแต่ว่าจิตแน่วแน่อยู่ภายในอ่ะมันจะมีจุดเด่นอยู่มันมีอารมณ์อะไรที่มันเด่นมันจะเด่นชัดของมันมันชัดเจนมันชัดเจนของมันมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นแน่วแน่อยู่อะไรเกิดขึ้นก็รู้ทีนี่แต่ว่าจิตไม่ถลําไป จิตไม่ไหลไปไม่เพลินไปนี่เรียกว่าจิตตั้งมั่นที่เราต้องการคือจิตตั้งมั่นนี้เพราะฉะนั้นจิตที่เป็นสมาธิก็เหมือนกันเนีเย้่านบอกว่ามันไปอยู่ในสมาธิขั้นละเอียดลึกซึ้งแต่เวลามันคลายออกมาก็ต้องเพียนที่จะมาดูกายเวทนาจิตธรรมเดี้ยวมาดูสติปัฏฐานสี่โอ้มีคนหนึ่งจําได้ตอนนั้นไปสอนที่ฟัดพระรามเก่าเป็นผู้ชายด้วยนะเขาไม่ได้มาปฏิบัติแบบอยู่คอร์สอยู่อะไรหรอกเขาก็ทํางานทํางานแต่ว่าเขาปฏิบัติทุกวันเขาว่า เขาคงจะเคยฝึกสมาธิฝึกอะไรมาเขาบอกฝึกสมาธีเขาบอกว่าจิตของเขานี่เข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยตั้งสามปีก็ว่ามันก็ดีทีแรกเขาว่าสงบดีสบายดีเข้าไปของเข้าได้อยู่เรื่อยเข้าไปอยู่เรื่อยเรื่แต่นานเข้านานเข้าเข า, เขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันได้แค่นี้อ่ะมันไม่ไปไม่มาเลยอ่ะทีนี้ก็ได้ยินครูบาอาจารย์บอกเอาให้มาดูกายเวทนาจิตธรรมท ำ, ทำมให้มันลงไปตรงนั้น เดี๋ยวมันลงไปแล้วเวลามันถอนออกมาก็ให้ดูซะก่อนอย่าเพิ่งออกไปง่ายฝึกจิตให้ดูมาลองทํางนี้โอ้จิตดีขึ้นเยอะเลยเขา่าใจสบายขึ้นผลของการปฏิบัติ ด, ดีขึ้นเวลากระทบอารมณ์เนี่ยวันไว้น้อยเขาว่าจิตก็เข้มแข็งทําการทํางานก็ดีเบิกบานมีความสุขมากกว่าเดิมอีกอันนี้คือเขาเจริญสติสัมปัญญาแล้วก็มีปัญญานานเข้าก็เห็นความเกิดดับก็ปล่อยเรื่อยไป ถ้าเห็นความเกิดดับมันปล่อยวางได้มันก็มีโอกาสจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะมันเห็นทางแล้วอ่ะพระก็เหมือนกันท่านไปปฏิบัติที่วัดอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครมีความเข้มแข็งอ่ะปฏิบัติจริงจังไม่นานอ่ะมันก็จะมาเนี่ยเห็นขันธ์หน้าทํางานที่แรก เ, น, เน้นสติปัฏฐานสี่ก่อนกายเวทนาจิตธรรมอาศัยความเข้มแข็ ง, ขงบางองค์นี้ต้องอดอาหารอดอาหารนี่เพื่อให้จิตมีกําลัง เพราะอาหารเนี่ยมันทําให้ง่วงซึงมเมาอาหารเพราะเรื่องอาหารสําคัญถ้าคนที่มาอยู่ประจํามาหวังที่จะปฏิบัติจริงๆนี่นะเรื่องอาหารนี่สําคัญเพราะฉะนั้นต้องรู้จักผ่อนอาหารเนยยิ่งเรามีเวลาน้อยนานๆมาอย่างนี้เน้นผลของการปฏิบัติคือเน้นการเข้มงวดกดขันเนี่ยระมัดระวังเรื่องอาหารรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร อาหารนี่มีส่วนมากถ้าเราคิดว่าเรารับประทานพอดีนะมันจะเกินทันทีเลยอ่ะจะอิ่มมากเลยแน่นอึดอัดฉันไปทางน้อยไว้มันจะพอดีหรือลดลงไปเยอะๆเนี่ยอันนั้นยิ่งพอดีเลยเบาเลยแล้วไม่เหนื่อยไม่เพลียด้วยร่างกายกลับมีกําลังทําอะไรแคล้วคล่องว่องไวอันนี้เกิดจากตัวเองเนี่ย ทดลองผ่อนอาหารสมัยที่ไปบวชอยู่วัดดอยธรรมเจดีอยากให้จิตมีกําลัง เ, เห็นเพราะว่าอาหารเนี่ยมันทําให้อึดอัดทําให้แน่นเดินจงกรมกรไปเซไปเซมานั่งไม่ต้องพูดถึงหลับนั่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ค่อยสบายเนีย่ยว่าฉันปกติเนี่ยท่องมนท่องพร อ, อะไรไม่ค่อยจําเลยเพราะอาหารมันบีบร่างกายอะ ทีนี้ก็เลยลองผ่อนอาหารดูผอนอาหารก็เริ่มตั้งแต่ค่อยๆผ่อนลงไปเรื่อยๆทีนี้เราบวชเรามีเวลาเนี่ยทดสอบทดลองได้เพราพอผ่อนเราอยากรู้ว่าเอจิตของเรามันจะบังคับให้มันผ่อนได้ขนาดไหนโอ้ไปถึงจุดบางจุดไม่ยอมเลยอะ่ะโอ้ความห่วงใยร่างกายอความหลงร่างกายความหวงแหนร่างกายความรับผิดชอบร่างกายด้วยส่วนหนึ่งอะ่ะมันจะไม่ยอมท่าเดียวต้องสู้กัน ต้องได้ต่อรองเลยนะมาจะขอศึกษาขอเอาชนะจิตตัวเองต้องแบบนั้นนะปัญญาก็ต้องไปถึงกันนะซึ่งจะเอาอยู่นะจิตคนเราเนี่ยถึงได้เห็นว่าโอ้ยฝึกจิตเนี่ยมันต้องใช้ความจริงจังแต่ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรนะต้องการเอาชนะมันนะ่ะต้องใช้ปัญญาสูงมากเวลาจะฝึกจิตจริงจริงจังๆอ่ะพอได้ที่แล้วเบาสบายทีนี้โอ้โย ท่องมนท่องพรก็จําทําอะไรก็แค่ค่องว่องไว้บังคับควบคุมตเตงดีหมดนอนก่อนน้อยไม่ง่วงไม่ซึมด้วยสดชื่นไม่หิวไม่โหยโอ้ตรงกันข้ามกับความรู้สึกของเราแต่ทีแรกกลัวจะหิวจริงๆมันก็คือความอยากนั่นเองมันอยากมันไม่อยากเอาอยากมันก็เลยมาเอาร่างกายมาอ้างว่ากลัวว่ามันจะหิวจะโหยไปจริงๆมันไม่ใช่มันกับพอดี ทำอะไรดีไม่เหนื่อยไม่เพียแค่ค ข, ของว่องไวแต่ก่อนสวดปฏิโมกจำไม่ได้หง่วงซึมแป๊บเดียวก็ทิ้งแล้วปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเดี๋ยวก็เข้าไปห้องน้ำห้องถ่าทีนี้พอพออาหารปุ๊บมันไม่มีพวกนี้เดินจงกมเป็นชั่วโมงก็ได้ท่องจนจบตามที่เรากำหนดไว้ก็ได้บางครับควบคุมตังได้ดีจึงรู้ว่าอ๋อ มีหน้าพระพุทธเจ้าเน้นจริงๆเลยนะโภชเนมัตตัญยุตานมันเหมือนมันเป็นสูตรสําหรับผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเลยอ่ะมันจะต้องมีข้อนี้อยู่เสมอการปฏิบัติธรรมที่ไม่เสื่อมต้องมีข้อนี้อยู่ด้วยโภชเนมัตตัญยุตาหรือผู้ปฏิบัติธรรมหวังทีจะพ้นทุกข์ก็ต้องเนี่ยมีโภชเนมัตตัญยุตาในโอวาทปาติโมกก็มีมัตตัญยุตจะผัดตัสสนิ่ง นี่ก็คือรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารสอนภิกษุหรือว่าพูดกับภิกษุผู้ที่จะไปเผยแผ่ธรรมต้องมีหลักการอันนี้อยู่นี้เมื่อนั้นเราปฏิบัติเราก็ต้องเอาหลักธรรมหูยามาหรือเราเคยพูดหลักการนว่าต้องละธรรมหกอย่างต่อไปนี้จึงจะปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลเาดิ้งชอบงานงานในนี้บางงานที่ไม่จําเป็นอ่ะเช่นมาปฏิบัติก็ไป หาไลน์บ้างเฟซบุ๊กบ้างอะไรต่ออะไรเออสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือเป็นวันไปก็มีนี่อันนี้คือหางานไม่มีความจําเป็นอะไรกับโทรศัพท์คุยหนุ่นคุยนี่เพราะเอาเท่าที่จําเป็นเลยนี่เรียกว่าไม่ชอบงานไม่หางานทําให้เสียเวลาการปฏิบัติธรรมเรียกว่าอยู่กับการสํารวมระวังทดลองเลยเนี่ยจะซัดใจใครเข้มแข็งนะ ทำได้เข้มแข็งขึ้นมาทันทีเลยแล้วกำลังจิตนี่มันจะสาคัญมันต้องได้มาจากนี่แหละวินัยในตัวเองเนี่ยต้องไม่ชอบคุยอันนี้สองชอบนอนกลางคืนก็นอนแล้วกลางวันก็นบางทีก็นอนอีกแถมบางทีฟังธรรมยังจะมานอนอีกก็มีนะบางทีก็ต้องพยายามให้มันตื่นเนียวันนี้ก็เทศไปเรื่อยๆเล ย, เ ล, ยลืมเลยว่าจะต้องถือไม้ลาดตะเวน นี่นี่จะเสียท่าแล้วนะเนี่ยวอนนั้นชอบนอนอ่าวอนนั้นนิวรนตัวนี้ก็ต้องแก้ด้วยถ้ามันง่วงมันซึมต้องกระตุ้นจิตตัวเองให้มันตื่นให้ได้อันนี้พูดบ่อยเรื่องการแก้ไขนิวรอนทีนามิธานนิวรอนเนี่ยอันที่สามก็ชอบกินอย่างที่ว่านี่แหละก็ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารทีนี้ก็ศินแปดอยู่แล้ววันดีสิน 8, แปดเราก็ไม่ต้องกลัวหิวหรอก มันก็มีเครื่องดื่มาลไยให้อยูอ่ยิ่งเบาสบายด้วยชอบคุยอีกกัรหนึ่งชอบคุยคนปฏิบัติธรรมนี่มันแปลกนะคุยแล้วไม่อยากเลิกเมาเขาเรียก่เมาเลยนะมันและก็เมาถ้าจิตไม่เข้มแข็งนี่ถอยออกจากการคุยไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราตกลงกันเนี่ยไม่คุยน้อยๆ อ, อ่ะอ้ถูกต้องดีมากเลยมันจะเป็นการที่เรียกว่าป้องกันไปเสียเวลากับการคุย คุยทีแรกก็เป็นสาระเดี๋ยมก็กลายเป็นเรื่องไร้สาระไปแล้วก็ถ้าต่างคนต่างมาทีแรกก็ตั้งใจจะมาปฏิบัติรู้ข่าวว่าโอ้ยมีครูบาอาจารย์มาที่นี่เข้มงวดกวดคันตั้งใจปฏิบัติแต่ทีนี้พอมาแล้วบางทีเพลินไปกับการคุยมันก็เสียเวลาเสียเวลาเราด้วยและเจ้าของสถานที่นี่ก็ทุ่มเทนะเนี่ยเพราะอะไรก็เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรม คบอาจารย์ก็ต้องเห็นคุณค่าก็เสียสละมาเราเองก็เห็นคุณค่าอยากมากปฏิบัติแต่พอมาแล้วแพ้กิเลสตัวเองประมาทไปเสียเวลาไปเพราะเราต้องช่วยกันพูดน้อยๆหน่อยเดี๋ยวจะใครไม่พูดก็ที่วัดเนี่ยเวลาเขาไม่พูดเขาจะเขียนป้ายเอาไว้ห้อยห้อยคองดพูดหรือว่าปิดวาจาคือคนที่จะมาพูดก็จะได้มองเห็นเนาะเขาปิดวาจา คนที่ปิดวาจาก็ได้สบายใจว่าเออเขารู้แล้วถามว่าเราปิดวาจาเพราเขาถามมาเราไม่พูดเนี่ยมันก็เสียความรู้สึกเหมือนกันแต่ถ้าเขาเห็นป้ายปับ๊บหรือว่าเอ้าเขาพูดมาเขาไม่เห็นป้ายเราก็เอาป้ายให้ดูเออเอ อ, เ, อ, อเข้าใจแล้วก็จบนี่อันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวเรื่องเป็นเรื่องของการขัดเกลารแต่ส่วนใหญ่เราก็ใช้วิธีว่าพูดเท่าที่จำเป็นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันก็ต้องสื่อสารกัน ต้องพูดกันบ้างมีที่พระก็เคยไปจำบรรษาพอเรียนกรรมาฐานเสร็จแล้วก็ไปจำบรรษากันก็ตั้งกติกากันว่าพรรษานี่ไม่พูดกันไม่พูดกันตลอดพรรษากลับมากับรีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตั้งใจว่าจะไปกราบทูลว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยโอ้โหมันเข้มงวดกวดขันไม่ยอมพูดยอมจาเต่วพี่เจ้าตหนิตาหนิเอา มันเป็นก็เป็นการปฏิบัติแบบคนใบ้อะแบบคนใบพูดไม่เป็นพูดไม่ได้ทําธรรมชาติคนเราก็ต้องมีการพูดคุยกันบ้างมีอะไรที่มันผิดพลาดก็ตักเตือนกันแนะนํากันนะบอกกล่าวกันหรือก็ต้องมีปรึกษาหารือกันเวลาทํานู่นทํานี่ก็มีกิจกรรมด้วยอะไรเงี้ยแต่เท่าที่จําเป็นอย่างนี้มันก็สํารวมระวังดีมันก็เป็นธรรมชาติดีแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเออ อยากให้จิตมันอยู่กับตัวเองเต็มที่อมันก็มันก็บางโอกาสมันก็ทําได้อะก็จะได้อยู่กับเองดีบางคนทนอดไม่ได้อยากจะพูดอยู่เลยปิดมันซะเลยมันก็ได้เห็นตัวเองอีกแบบหนึ่งเวลามันอยากพูดอความอยากไม่อยากพูดนี่ก็สําคัญกันนะนี่ก็ตัณหาชนิดหนึ่งไม่ใช่ตัณหามันจะหยาบหยาบอยากเอาเงินเอาทองเอารถยนต์น่เป็นตัณหาไม่ใช่นี่อยากพูด อยากดูอยากคุยอยากรู้เรื่องรู้เล่าที่มันไม่จาเป็นอะ่ะมันไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์บางอย่างรู้แล้วมันก็ไม่ได้อะไรอะ่ะชีวิตเรามันสั้นมัวแต่ไปสนใจอะไรต่ออะไรโอ้โหมันใช้เวลามากเลยนะเอาให้เราดำเนินชีวิตไปได้และฐานะของเราถ้ามันมีครอบครัวมีลูกมีพ่อแม่สามีปันญา ก, ก็ต้องดูแลกันไป เพราะเราอยู่ในฐานะนี้แล้วแต่ไม่ทิ้งการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของมุตเจ้าจึงเดียว่าประพฤติพมมาจันย์คือดำเนินชีวิตแล้วทําให้ชีวิตตัวเองประเสริฐขึ้นมันก็ดีกว่าปล่อยปะละเลยชีวิตตัวเองทําเหมือนชีวิตตัวเองไม่มีค่ามันก็น่าสงสารไปหรือบางทีก็น่าน่าสมเพศน่าสมน้ําหน้า เพอาะทำชีวิตตัวเองให้แย่ให้ตกต่ําอันที่ห้าชอบคุกครีหรือจับกลุ่มกันที่ไหนต้องมีเราเข้าไปร่วมด้วยคอยมองหาอยู่จับกลุ่มอันนี้คุกครีนี่คือเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นเรื่อยเข้าไปกับเขาทุกกลุ่มนิ่ก็เสียเวลาส่วนใหญ่พุทเจ้าเน้นเรื่องการวิเวกปะวิเว ก, กตาเป็นธรรมะข้อหนึ่งให้ชอบวิเวก วิบวกเอกะวินี่แปววิเศษเอกะมันว่าอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวอย่างวิเศษก็คืออยู่กับจิตตัวเองเนี่ยคนจะเยอะขนาดไหนเดินไปเดินมาแล้วอยู่กับเราเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องดีเลยนะสถานที่เรามันไม่ได้กว้างขวางอะไรแต่ว่ามันเป็นธรรมะต่างคนต่างสามารถอยู่กับตัวเองได้มันก็เป็นระบบของธรรมะขึ้นมาแล้วถ้าสติดีขึ้นมามันจะสนใจรอบตัวเลยนะ มองตัวเองก็จะเข้าใจคนอื่นไปเลยตัวเองกาลังทำอะไรอยู่มันจะเข้าใจคนอื่นด้วยเขากำลังทำอะไรเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นระวังตัวเองก็เท่ากับระวังคนอื่นระวังตัวเองคือยังไงพยายามอยู่กับตัวเองจะเริยนสติปัฏฐานทั้งสี่ดูกายเวทนาจิตธรรมขึ้นอยู่กับว่าจิตของใครพัฒนาอยู่ระดับไหนมันก็จะดูความมีความพอดีของตัวเองอยู่แล้วถ้าระวังคนอื่นล่ะ จุดสำคัญเวลาระวังคนอื่นเนี่ยพระเจ้าบอกว่าไม่ให้คิดจะเบียดเบียนกันซึ่งกันอะกันอันดับแรกต้องมีเมตตาต่อกันไม่เบียดเบียนกันแล้วก็ต้องมีความอดทนด้วยเพราะแต่ละคนก็มาจากหลายที่หลายแห่งมีพื้นฐานต่างกันมีแบ็กกราวต่างกันแล้วชาติก่อนๆก็อินทรีย์สร้างบรารมีอะไรมานิสยัยใจคอแตกต่างกันหมดผลจะให้เหมือนกับของเราไม่ได้ เราก็ต้องอดทนถ้ามันแตกต่างกันเกิดความไม่ถูกใจเราไม่ได้ดังใจเราเนี่ยต้องไม่คิดเบียดเบียนมีเมตตาและต้องอดทนด้วยแล้วก็เน้นที่แก้ไขตัวเองดูตัวเองแก้ไขตัวเองถ้าใครก็มีหลักการอย่างนี้มันก็อยู่ด้วยกันง่ายอะ่ะนี่แหละเขาเรียกสังฆสังคมของการอยู่ร่วมกันแล้วมีเป้าหมายพัฒนาจิตของตัวเองให้เจริญก้าวหน้าขึ้นด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ที่มีคุณธรรมสูงก็ช่วยเหลือประคับประคองผู้ที่มีคุณธรรมต่ำกว่าไม่ได้มาแข่งขันกันไม่ได้มาเอาธรรมะมาอวดกันหมายว่าต่างคนต่างเน้นที่แก้ไขตัวเองอ่ะพัฒนาตัวเองถ้าหากว่าพอช่วยกันได้คือมันก็ต้องยอมรับกันเลยนะถ้าไม่ยอมรับนี่ไปหยิบยืน่นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันจะมีแรงต้านขึ้นมาก็ได้ด้วยเพราะนั้นธรรมะนี่มันไม่จาเป็นอ่ะอุเบกขาดีที่สุดอ่ะ แต่ถ้าว่ามันมีพอที่จะช่วยเหลือกันนะมันก็จะมีช่องทางของมันเองอ่ะเขาจะมาสักมาถามบ้างอะไรบ้างทํามันเป็นธรรมะมีประโยชน์ก็ช่วยเหลือกันได้พอคุยกันไปมันก็จะรู้เรื่องของภูมิธรรมภูมิจิตภูมิธรรมของแต่ละคนอ่ะมันจะพอรู้กันก็ขึ้นอยู่กับว่ายอมรับกันไหมถ้าไม่ยอมรับกันโนาะไม่ได้เลยเคยมีองค์หนึ่งอ่ะท่านมาปฏิบัติแล้วท่านบรรลุธรรม ท่านก็รู้ว่าท่านบรรลุธรรมท่านก็มาเล่าให้ฟังอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วท่านก็มีเพื่อนเพื่อนพระด้วยกันมาด้วยกันท่านก็ไปหาเพื่อนท่านบอกไปเนี่ยท่านเห็นทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้องค์มาท่านร้อนวิชาเหรออ่าเนี่ยแทนที่จะมารับฟังหรือว่าได้ประโยชน์จากธรรมะกลับเป็นแรงต้านขึ้นมาร้อนวิชาแล้วนั้นกลับไม่สบายใจว่าตัวเองเนี่ยสู้องค์นี้ไม่ได้เนี่ยมีมานะขึ้นมา เนี่ยมันก็เลยแทนที่จะได้ประโยชน์บางทีมันไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ต้องไปพูดก็อุเบกขาเอาไว้ถือคนในหมู่ปฏิบัติมันก็ต้องมีบ้างมีทั้งโซดาสกิธานาคามีทั้งพ่หลานชันเนเรื่องของจิตเนี่ยใครจะไปรู้อ่ะใครขั้นไหนอ่ะ๋ยวมันก็จะมองดูแล้วมันก็จะสงบของเขาเองอ่ะหรือการกระทำอะไรมันก็จะออกมาดีงามมันก็สมกับที่มันมีธรรมะอยู่ภายในนั่นแหละมันจะไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครอ่ะ ในเรื่องของธรรมะเพราะฉันะพระเจ้าสันเสริญเนี่ยเปะวิเวกตาวิเวกวิเวกในทีน่นี้ถึงสถ า, านที่เราคับแคบคนเยอะแต่ว่าต่างคนต่างอยู่กับตัวเองสำรวมตัวเองและไม่คิดเบียดเบียนใครอดทนถ้า ม, มันมีการกระทบมันก็จะกลายเป็นบรรยากาศอีกันหนึ่งออในสมัยพระเจ้าคนห้าร้อยอ่ะพระภิกษุห้าร้อยเงียบกริบอ่ะ ต่างคนต่างอยู่กับตัวเองถึงเวลาพบกันก็ น, นิง่งถึงที่จะจะให้พูดก็เชิญคนที่มีธรรมะพูดเนี่ยเขายอมรับกันอย่างนี้นะสมัยพุทธเจ้าข้อสุดท้ายอันนี้ต้องสํารวมตาหูจมูกดินกายใจสมบูรณ์รี่เห็นอะไรก็เนียบต้องรักษาจิตตัวเองทันทีกระทบทางหงูก็รักษาจิต ม, มันมันนี่แหละตัวจิตแหละมันเป็นตัวก่อนเรื่อง คนในจิตมันก็มีความหลงอยู่ขึ้นอยู่ความหลงมากหลงน้อยหลงว่ามีเราเขาจะทําเพื่อนเราอยากให้เรามีความสุขมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละไม่ได้มาจากตัวอื่นเลยนะแล้วชาวโลกเขารู้หรือเปล่าถ้าเขาไม่มาปฏิบัติมันไม่มีทางอะ่ะขนาดเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่ซ้ารวมจริงจริงจังก็ไม่ทันเหมือนกันแต่เรารู้ไว้ก่อนอะ่ะดีแล้วสรุปแล้วทุกปัญหามาจากจิตเราเองเพราะเราไม่ทันการทํา ง, งานของจิตเรา ตนตอนมันก็ตรงกระทบอารมณ์นี่แหละเราไม่ทันตอนกระทบถ้ากระทบปั๊บรู้ว่ากระทบจบจบเลยทำไมทันตรงกระทบมันมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วทันอีกก็จบอีกถ้าไม่ทันมันจะอยากให้ตัวเองมีความสุขทันทีเลยนะถ้ามันไม่สบายมันก็อยากให้สิ่งเหล่านั้นดับไป ห, หายไปเรียวว่ามันดูดแล้วก็ผลักต้านดึงดูดเอาเข้ามาแล้วก็ผลักต้านนี่แหละในจิตของเราจะมีแบบเนี้หรือมันก็วนวนเวียนๆอยู่ในจิต ไม่รู้ว่าผักหรือว่าต้านวนเวียนไม่แจง้งไม่ชัดนี่ก็นี้ก็เป็นโมหะเหมือนกันเพราะอยู่ที่จิตเราทันหรือไม่ทันแล้วก็ตรงละช่องทางไหนจะทําให้จิตเราดีขึ้นเราต้องพยายามทำเอาต่อไปนี้จะให้สํารวมระวังปฏิบัติตามลําพังสักนิดนึงไม่ทําความรู้สึกเหมือนเราบูชาพระพุทธเจ้าก็ได้เราหลังกายเราจิตใจปฏิบัติบูบบบชาเลย แล้วการบูชาที่สูงที่สุดก็คือทำเหมือนไม่มีเราเลยพระพเจ้าตัดสู้ว่าไม่มีเราหรือว่าจิตของเรามันได้ขนาดไหนก็เอาแต่ใครอยากเด็ดขาดเลยก็คือทำเหมือนไม่มีเราเราต้องตายตายแล้วก็ไม่มีเราอะ่ะร่างกายไม่มีแล้วจิตก็อยู่ไม่ได้กายกับจิตต้องอยู่ด้วยกันทีนี้ร่างกายเรามันต้องตายจริงๆอะ่ะถ้าเราตายลงไปปับ๊บไม่มีอะไรแน่นอนเลยว่างเปล่า เราก็ฝึกทิ้งเลยไม่มีเราเลยตั้งแต่ทีแรกละผู้รู้อีกอันหนึ่งก็คือว่าผู้รู้นี่มันเป็นของเกิดดับส่วนใหญ่วิติผู้รู้ไปเยอะไม่ไปทําเหมือนมันไม่มีแล้วไม่มีเราอย่างพระพุทธเจ้าเนี้ยท่านปรินิพานแล้วคือดับขังเลยไม่มีเลยเข้าสู่ความว่างในธรรมชาติไปหมดเพราะละหันทั้งหลายอย่างเงี้ยนั่นแหละจุดสุดท้ายไม่มีเร า, านั้นเราก็ เอาตั้งแต่ทีแรกเลยไม่มีทําเหมือนเราไม่มีทิ้งมันไปเลยทิ้งว่ามันทิ้งยังไม่ได้วางยังไม่ได้ก็ธรรมดาก็ต้องเพียรไปก่อนปฏิบัติไปก่อนฝึกไปก่อนเอาดูตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายนะเนื่องจากเราเวียนว่ายตายเกิดมาเนี่ยมันมีกรรมมีเวรมากรวมทั้งชาตินี้ด้วยเราก็สร้างกรรมสร้างเวรมากมายเพราะวิธีที่จะทําให้กรรมมันเบาบางก็คือว่าพอโหสิกรรมเพื่อประกาศ ว่าเราสำนึกแล้วเราสำนึกแล้วจึงขอโหสิกรรมเหมือนถ้าใครทำผิดแกเรามาขอโทษมาขออภัยมาขอโหสิกรรมเราก็ใจ อ, อ่อนอ่ะเราก็ให้อภัยอะ่ะมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอะ่ะนี่ก็เหมือนกันน่ะเราขอโหสิกรรมเนี่ยก็มันหมาว่ามันทำให้เราเนี่ยสำนึกมีจิตสำนึกไม่อยากจะไปผิดพลาดล่วงเกินใครอีกรวมทั้งเราเองก็ให้อภัยด้วย ให้อโหสิกรรมด้วยมันจะได้จบไปหมดไปเบาบางบางคนถ้า ม, ามันมีอะไรกุ้มลุมมากๆอ่ะขออโหสิกรรมบ่อยๆเลยขออโหสิกรรมขอ้อภัยให้โหสิกรรมไปอุทิศบุญไปแผ่เมตตาไปพวกนี้มันทําให้จิตเราดีขึ้นอ่ะค่อยดีขึ้นค่อยค่อยดีขึ้นเอาฝึกไปฝึกไปจิตเราเปลี่ยนนะยิ่งใครทําอะไรมันชอบมีอุปสรรคนี้แหละพวกเนี้ย มันมีเยอะเจ้ากรรมในเวรอะไรเนี่ยประกาศข อ, อโหสีกรรมไปให้โหสีกรรมไปเบาวางลงไปเรื่อยๆปฏิบัติธรรมก็ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นสิ่งที่รบกวนก็ล ด, ดลง